สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99มาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ฮะสำหรับหมีเพื่อนผีครับสวัสดีคันต้องหมีสวัสดีครับพี่แจ๊คขอบคุณมากหมีพี่กับมือพนม แนบอกขอบคุณมากไม่งั้นแบบโอ้โหไออารมณ์มันจะค้างมากเนียพอดีก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของคุณพงษ์นะฮัางดังวิญญาณปริศนาเรื่องของหมวดนุกป่ากาเรนนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งคู่หลับแล้วแล้วก็เออพอเอิญน้องหมีบอกเฮ้ยคืนเนี้ยคันอยากเล่าอยากเล่าอ๋อครับกะจะยกน้องหมีไว้พรุ่งนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าหมีเป็นตัวขันเวลานะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอพอดีผมอ่า ช็อกชหมึ่นหมื่นิดหนึ่งครับครับผมช็อกเรื่องอะไรไปไรอ่ะคืออ่าทางพี่บัตรแจ้งว่าเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ละกันเพราะว่าวันเนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็มีทั้งหมดแปดเรื่องถูกไหมครับถูกต้องแล้วผมก็ดูเรื่องล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องของอ่าคุณเอ็กเราแล้วเวลามันมันล่วงมาเลยมากแล้วนะครับวันนี้ผมก็กําลังทํำบททาอะไรอยู่แล้วนี้ทางทางพีแจ๊คติดต่อมาผมก็เลยเอ้าอโอ้ ผมก็เลยคือคือต้องต้องต้องบอกงออนเนี้ยคือผมก็ไม่ได้แบบอดูดูทางไปก็ตลอดเดี๋ยวพรุ่งเช้าผมกล่าว่าเดี๋ยวจะมาย้อนหลังรปรากฏว่าตอนนี้ ย, ยังยังยังออนไลน์กันอยู่เหรอครับเนี่ยครับผมช่วงช่วงแถมช่วงแถมตอนนี้เนี่ยยังอยู่กันทั้งหมดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปด้อยสามสิบสองท่านโอ้โหตกใจทุกเมืองโอเวลาครับ ครับต้องต้องยอมเลยแต่ต้องบอกว่าขอบคุณมากแล้วก็รบกวนช่วงดึกนิดนึงนะหมีนะครับผมได้ครับาปิดท้ายให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยนะครับแล้วถามข้อมูลก่อนเรื่องที่จะมาเล่าวันนี้เนี่ยเล่าวันนี้เนี่ยเราใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรดีเอ่อเอาเป็นพี่สวยเลยกันครับพี่สวยครับผมชื่อคุณคุณครับผมอันนี้จะเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องของผมนะครับที่เคยเล่าทาง ทางบ้านเก่าของพี่แจที่เดือชอกใช่ใช่พี่สวยทีนี้วันเนี้ยวันเนี้ยผมมีการคุยครับอ่าทีมทมงานทั้งทั้งหลายนะอืมก็เอ๊จะหยิบยกหนังสั้นเรื่องใดเรื่องนึงเนี้ยเอามาทําอปอันนี้คือยังยังยังไม่ได้ร้อเปนต์ะครับอืมทีนี้เขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าเอออยากฟังเรื่องพี่สวยซ้ําจังเลยครับแต่เขาไม่ได้แบบให้ผมเล่าสดๆตรงนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าทําไมพี่หมีไม่ลองแบบ เอาไปเล่ามาดูลาเพราะว่ามันยังมีหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ครับอืมถ้าถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยฟังหรือเปล่าครับช่วงนั้นคือที่หมีมาเล่าเนี่ยพี่ยังอยู่ปะอ๋อไม่อยู่แล้วอ๋อไม่อยู่แล้แสดงว่าพี่ไม่ได้ฟังครับเออถ้าพี่ไม่ได้ฟังอย่างนี้ก็โอเคแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังครับมนั้นก็ ตามธรรมเนียมนะถ้าใครอเคยฟังแล้วก็ก็อย่าเพิ่งอาโชว์โชว์บนหน้าแชทออนไละคับเดีจะไม่สนุกถูกต้องหรือว่าใครที่เคยฟังแล้วอลองฟังเวอร์ชั่นนี้ดูไม่เป็นไรเพราะว่าน้องมีเลือกมาให้พวกเราได้ฟังกันใช่ครับแต่วันเนี้ยผมอาจจะเล่าในเวอร์ชั่นนี้ผมเองนะครับอาจจะไม่ได้มีคําสวยหรูออะไรมากมายนะเพราะว่าพอพอมันนึึกถงเรื่องของพี่สวยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่สลด อย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเข้ามากนะครับก็ขอเริ่มแล้วเลยแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับมาคือเรื่องเนี้ยมันจะคาบเกี่ยวในระหว่างทำลายของเรื่องเพื่อนที่หายไปนะครับเรื่องเพื่อนที่หายไปเนี่ยเพื่อนผมที่ถูกที่ถูกฆ่าเนี่ยนะครับผมในช่วงนั้นเนี่ยก็จะไปกลับระยองพัทยาอยู่ประจำเพราะในช่วงนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่พัทยาใช่ไหมะอืบ ช่วงนั้นก็จะไปไปมามาถ้าวันไหนกลับมาแล้วยองเนี่ยก็จะมาผจนเรื่องของเจ้าเตอแต่ถ้ากลับไปพัทยาเนี่ยก็จะภาบเกี่ยวเรื่องของพี่สวยนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ็คตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่ที่หนึ่งนะครับในในตัวเมืองพัทยาหน้าโรงเรียนเนี่ยมันจะมีร้านขายข้าวแกงนะครับซึ่งไม่ไกลามาก นะครับจากจากจากตัวโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่อืมเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นสาวประเภทสองนะพี่แจ๊คเป็นกับเธอเนี่ยแหละนะฮะขอขอใช้คําง่ายๆนะครับเขาเป็นคนที่เหมือนผู้หญิงมากนะครับแจ๊คคือทุกอย่างเนี่ยยังไงก็ผู้หญิงทั้งความใจดีทั้งความอ่อนโยนเขาไม่เคยที่จะแบบโกรธหรือเครื่องพวกเราเลยแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเราล้อหรือว่ายอดแกลงแรงๆเนี้ยนะครับ แกเป็นคนที่จิตใจดีมากเหมือนผู้หญิงคนนึงเลยอี่ชื่อพี่สวยเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเด็นักเรียนนะในตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าชื่อเล่นจริงๆหรือว่าชื่อจริงๆของแกเนี่ยชื่อว่าอะไรแต่ทุกคนเนี่ยจะเรียกว่าพี่สวยหมดเป็นความใจดีถามว่าหน้าตาเขาสวยไหมก็ขออภัยนะก็เหมือนสาวสองทั่วไปก็ไม่ได้แบบสวยอะไรมากขอขอโทษนะหน้าผมก็ไม่ได้ทําอะไรก็ยังไม่ได้แปลงก็คือยังมีความเป็นผู้ชายอยู่ แต่พอเวลาตกกลางคืนเนี่ยเขาจะชอบแต่งเป็นผ anyway> ู้หญิงนะครับเราก็เราก็จะเรียกแทนเขาว่าพี่สวยพี่สวยมาตลอดจนกระทั่งพี่สวยเนี่ยเริ่มที่จะคลุกคลีผมก็มองเขาเหมือนพี่สาวเพื่อนทุกคนก็จะมองเหมือนเขาเป็นพี่สาวคนหนึ่งเวลาเราไม่มีเงินกินข้าวหรือแม้กระทั่งเราไม่มีกำลังเรียนเนี่ยพี่สวยก็จะจะให้ยิบยืมเราไม่เคยเคยปากทวงเลยสักครั้งหนึ่งนะครับเราก็เลยกลายเป็นที่รักของหมูเด็ เป็นตอนนั้นเนยนะครับประเด็นมันเริ่มเปลี่ยนไปตรงที่ว่ามีวันหนึ่งครับพี่สวยเนี่ยเขามารู้จักกับเพื่อนผมซึ่งเป็นลูกครึ่งอันนี้คือขอขอเอ่ยชื่อแล้วนันนะครับ<ช>เพื่อนผมคนนี้ชื่อว่าเจ้าจับอืเป็นเป็นเด็กลูกครึ่งนะนะครับหน้าตาก็ร้อเลยทีเดียวอืก็ก็โดนใจพี่สวยครับพี่สวยก็เหมือนกับว่าแกแกมีความเป็นผู้หญิงสูงครับพี่แจแกก็ไม่ได้แบบว่า อะไรมากมายนะก็เหมือนกับแบบชายหญิงชอบันปกติแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อนอ่ะเรารู้แล้วละว่าพี่สวยแกเป็นคนดีเราก็เหมือนเชียร์เชียร์กันนะครับเป็นกองเชียร์ว่าเอ้ยเนี่ยชอบพี่สวยพี่สวยชับอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยได้มารักกันจริงจริงครับพี่แ่า มันมันมันสวยหรูมากจนเราเนี่ยเป็นเพื่อนทยุงห่างเนี่ยเราแทบจะไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยค<ม>ู่นี้จะมารักกันจริงๆได้อะอีก<ม>อย่างหนึง่งเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นชายแท้พี่สวยก็เป็นสาวสองมันไม่น่าจะมาลงเอยกันได้แปลเขาไปกันได้<ม>นะครับจนกระทั่งพี่สวยเนี่ยแกเริ่มที่จะรักไอ้เจ้าจับมาก ม, มากจนเกินความพอดีเราเห็นแล้วว่าเขาตามใจเจาจับมาก รถมอใสอร์ก็ซื้อให้โทรศัพท์มือถือที่เป็นยุคยุคสมัยนั้นนะครับจอก็ซื้อให้จนกระทั่งในสมัยนั้นเนี่ยเกมคอมพิวเตอร์มันเพิ่งเข้ามายุคแรกแรกนะครับปรากฏว่าจอรจับเนี่ยอยากที่จะได้หลันเก ม, มที่สวยแกก็ถามพวกผมนะคะว่าเออเนี่ย ถ้เจ๊เนี่ยเปลี่ยนจากร้านข้าวแกงเนี่ยมาเป็นร้านเกมมาพวกเธอจะโอเคไหมโอ้โหพี่แจ๊คได้เลยพี่เต็นที่เลยคือเราด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยเราก็อยากจะที่จะมีแรงแรงที่แบบมาพบปะเพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็สนับสนุนจนทั่งไม่ถึงเดือนนะพี่แจจากร้านข้าวแกงกลายเป็นร้านเกมเฉยเลยอืมทําจริงคือใช่ครับทําจริงครับเครื่องเกมมีทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดสิบเครื่อง นะครับสึกเครื่องฟังละห้าเป็นตึกอาคารพานิดสองชั้นเนี่ยนะครับไม่ได้แบบสวยหรูอะไรมากมายแต่ก็มีให้จั บ, บจนกระทั่งพวกเพื่อ น, เ, อนเนี่ยก็ ก, ก, ก็ก็ไปสูงเงินอยู่ที่เนี้ยนะครับเล่นเกมอะไรไปยุคนั้นก็จะเป็น a l f l i f ล c o เ n t e r s ไ r i k e ไม่ได้แบบมียูี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเกมที่แบบทันสมัยอะไรมากมายในยุคนั้นนะครับเราก็นั่งเล่นเกมทีนี้พอเราอยู่ อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราคลุกอยู่ทั้งวันนะพี่แจ๊คเลิกเรียนเราก็ไปร้านพี่สวยอตกค่ํากลางคืนก็ใหม่เข้าบ้านก่อยู่ร้านพี่สวยนั่งเล่นเก็บแทบที่จะแบบเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับเขาแล้วครับคือด้วยความที่แกเป็นคนใจดีด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเวลาประมาณเจ็ดแปดเดือนที่ทั้งสองได้ได้ได้คบคบหากันก็ยังว่าแลครับพี่แก๊ ดอกไม้เทียมมันจะรือ ด, ดอกไม้แท้มันก็ไม่ได้ส่วนหลังๆเนี่ยในยุคนั้นก็จะมีโปรแกรมเพิร์ทนะครับก่อนนัดคุยสาวนัดอะไรกันพวกเรารู้ดีคนระับแต่เราไม่กล้าบอกพี่สวยเราก็เหมือนทำแบบเออทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เองเงี้ยครับทุกๆครั้งที่พี่สวยจับได้เนี่ยนะครับแกไม่เคยว่าแกไม่เคยที่จะ ออกมากออกเสียงทะเลาะ ก, กับกับเพื่อนผมเลยแกเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆครับจนกระทั่งมันเริ่มที่จะทวีคูณมากไปขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาทะเลาะกันเนี่ยพวกผมเนี่ยโดยเฉพาะผมเองนะครับจะผมเป็นคนที่ปลอบคนไม่เป็นเราไม่รู้จะทําหน้ายังไงจะเดินเข้าไปตบไรที่สวยแล้วแบบสู้ๆนึงก็มไม่ได้นะครับเราเราเร า, เราทำตัวไม่ถูกเวลาเขาทะเลาะกัน ทะเลาะกันค่อนข้างทีจะรุนแรงจนทั่งมันเริ่มนักขึ้นนักขึ้ น, นเรื่อยๆทุกครั้งเนี่ยที่จบการทะเลาะกันเนี่ยที่สวยจะมานั่งตรงเคาน์เตอร์ด้านล่างซ <c oughs> ่องเก็บเงินนะครับแล้วแกก็กจะนั่งเงียบอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับแกคงจะสุดๆแล้วจริงๆนะครับพี่ยังวันนั้นเนี่ยอืมีวันหนึ่งทะเลาะกันเสียงดังมากเขาอยู่บนชั้นสองเสียงลงมาจากข้างล่างเลย ร้องเสียงดังมากแล้วจะจับเขาก็ลงมามแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์ออกไปออืมไม่ถึงยี่สิบนาทีพี่แจพี่สวยแกก็เดินลงมาแกก็มานั่งเคาน์เตอร์อยู่ตรงประจำ่ะครับก็ร้องหุ่มร้องไห้เราก็เห็นแล้วนะครับแต่เราไม่รู้จะเข้าไปปอบอยังไงดีออือเราก็สนใจเกมมากกว่าด้วยพี่สวยก็เอ่ยมาคำ น, นึงบอกเออหนีไป ไปเที่ยวกันไหมไปสันฝันข้างนอกกันไหมพวกคืนใครว่างบ้างคือเหมือนเขาจะหาเพื่อนแต่พวกเราเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเร็วมากแจ๊กเราสนใจเกมมากกว่าเขาเพราะทุกคนที่ปาร์ตี้อยู่หน้าจอกันหมดเลยเราไม่ได้เร็วหรอกตอนนั้นคือเราวัยรุ่นอ่ะเพราะเกมมันใหม่มันใหม่สําหรับเราด้วยใช่ครับแต่ครับทีนี้เหมือนกับเราก็สองยีสองใจแล้วก็คอยหันไปมองแกตลอด พี่แจ๊แกน้ำตาแบบไหลที่แบบอืมโดยที่ไม่มีเสียงร้องสักแอะเลยนะครับแต่เราไม่เคยเห็นภาพแกร้องให้แบบนี้ออืแกน้ำตาไหลเป็นน้ำตกเลยพี่จ๊คเราก็ทำยังไงดีวะแต่ก็เราก็ยังไม่ได้แบบสนใจมากน้อยจนเขาเอ่ยมาคำหนึ่งนะพี่แจ๊คมีเดี๋ยวเจ้ขอขึ้นทําใจข้างบนก่อนนะแก่ก็เดินขึ้นไปบชนชั้นสองห้องนอนแกอืแต่เราไม่รู้เลยว่าวันนั้นเนี่ย แกขึ้นจะผูกคอตายครัพี่แจ็คยือผูกคอตายเหรอใช่ครับอันนี้คือผมผมผมจะเล่าในเวอร์ชั่นขึงผมเองนะครับ เ, เ, เราคือแกเดินขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าแกขึ้นไปผูกคอตายครับมารู้ก็คือสามสิบวันให้หลังแล้แต่ก่อน<ม>หน้า น, น, นั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยเรานั่งเล่นเกมสนใจเราไม่ได้สนใจ<ม>เขาเลยเรานั่งเล่นเกมปกตินั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอแกตอนที่แกบอกว่าขึ้นไปข้างบน เพื่อที่จะไปขอทุนใจหน่อยอแอ้วนั่นคือคือนั่นคือครั้งสุดท้ายเลยครับตอนเราก็นั่งเล่นเกมตามปกตินุ่งพัดยาด้วยครพีเจสยันเช้าอยู่แล้วแต่เท่าที่รู้เนี่ยน่าจะประมาณหลังที่หนึ่งคืนตีหนึ่ที่สองคือแกขึ้นไปช่วงสามสี่ทุ่มผมพิจารวลาที่แน่นอนไม่ได้นะครับปรากฏว่าอ่แกเดินลงมาครับพีแจ๊คแกเดินลงมา ตรงคาพานิษฐ์นะครมันจะมีบันไดครับแล้วใต้บันไดเนี่ยมันจะมีห้องน้ําอือแล้วตรงข้ามห้องน้ําเนี่ยจะมีเครื่องเกมอยู่เครื่องหนึ่งครับพี่สวยแกเดินลงมาแล้วแกจะง้อหัวลงมาอือมาชวนไอ้เจ้าเด็กที่อยู่หน้าเครื่องตรงเนี้ยว่าหนูขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนเจ้หน่อยเจ้กลัวผีครับคืออันเนี้ยได้ยินกันทั้งร้านฮะแต่ทุกคนไม่ได้หันไปมองครับเด็กคนนี้บอก ไม่ไปอะเจ๊ในใจก็คิดว่าครับกลัวว่าเขาจะไปทําอะไรเขาโดนหลอกไปเคลมแม่นอนนะตอนนั้นนะตอนนั้นใช่ครับออซึ่งเราตอนนั้นเราก็เราก็ไม่ได้หันไม่มองแกนะครับแกเป็นอะไรของแกวะเพราะว่าแกไม่เคยเป็นแบบนี้คงจะเหงามากอะไรเงี้ยจนรุ่งเช้าทุกคนก็แยกย้ายกันกลับคตีสี่ตีห้าทุกคนแยกย้ายกันกลับผมก็จะกลับเข้ามาล้างเกมประมาณตั้งสามงเช้าคือเก้าโมงเช้านั่นเองครับ ก็ปัญจักยานมาเขาทาไมพี่สวยแกไม่ลงมาเก็บควาดของอหรือว่าเก็บควาดขนมหน้าตรงหน้าโต๊เลยทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมมากเครื่องค อ, งอมบางเครื่องเนี่ยยังเปิดทิ้งไว้อยู่เลย อ, มอมผมก็วิสารการก็ ก, ก็ก็ขึ้นไปข้างบนคนระับเพราะว่าเราสนิท ก, กับเขาอยู่แล้วห้องนอนแกจะเป็นห้องนอนที่ตีด้วยกระจกแล้วมีมา่านสีน้ำตาลเนี่ยกั้นอยู่ด้านไหน ผมเห็นแกเนี่ยนั่งทันหลังให้ประตูกระจก ม, มือข้างซ้ายเนี่ยนะครับรู้สึกจะถืออะไรสักอย่างหนึ่งตอนนั้นผมไม่ไม่แน่ใจแต่มือข้างขวาเนี่ยถือแก้วเข่าครับแอแก้วแก้ววายนะแต่ผมไม่รู้นะตอนนั้นแกแกแกตายไปแล้วครับ คือ <c oughs> ต้องบอก <c oughs> คุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเราเคยฟังเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้เฉลยมาล้วทีนี้ลองมาฟังอีกมุมมองนึงมุมมองหนึ่งคือเวอร์ชั่นที่เรารู้อยู่แล้วว่าณ <c oughs> ตอนเนี้ยพี่สวยตายไปแล้วนะเรามาลองฟังเวอร์ชั่นนี้ดูว่าเฮ้ยมันก็ได้อีกมุมมองหนึ่งมันก็ได้ความมากลัวไปอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้บิ้วไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วเออเออเออเออใช่ครับคือคือที่ผมอยากอยากจะให้ทุกทุกท่านทราบว่าเฮ้ย ที่สวยแกตายไปแล้วเนี่ยผมจะให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าและไอ้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยแล้ะเพื่อนๆผมเจอในตอนนั้นเนี่ยออืมันมันใช่ไหมนะครับออืตอนที่ผมขึ้นไปเนี่ยก็ยังเห็นแกอยู่ในสภาพนั้นอยู่ด้วยความที่เป็นคนปากหมาของผมเนี่ยนะพี่สวยร้านจะไม่ดูเลยอ่ะพี่อข้างล่างเนี่ยลกหมดเลยนะหนีลงไปก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊ตามไปออื เสียมันลอยมาจากไหนไม่รู้นะพี่แจ็คมันเหมือนแบบมาซ้ายทีขวานทีเราเราไม่สามารถที่จะหาทิศทางของเสียงได้มผมก็พอได้ยินอย่างนั้นน่ะเฮ้ยพี่สวยจะเป็นอมากวะออก็เลยเหมือนจะพูดประชดแกฮะออืพี่สวยจะสนใจทําไมานี่ก็แค่ผู้ชายคนเดียวเท่านั้นแล้วพี่แจ็คผมเห็นคาตาเลยว่าไอ้มือ ท, ที่ที่ถือแก้วเหล้าของแกเนี่ยพุ่งกระจกตั้งปัง ผมนี่นะฮะแทบไงายท้องลงหนิงแทบตกบันไดาตายใ<ช>นว<ม>ันนั้นนะครับเพราะตกใจมากเพราะเราไม่เคยเห็นแกแบบโกรธแบบนี้เลยผมก็ตกใจเหมือนกันนะค<ม>รับก็กระิดลงมาแล้วก็ว ม, มีเพื่อนๆอยู่ล่างแล้ ว, วผมก็เลยบอกกับเพื่อนว่ารรรรสงสัยพี่สวยแ ก, แ ก, แกคงจะนักหวะอืง<ม>นะครับนี่คือวันแรกครับวันที่สองก็ยังเป็นเหตุการณ์ปกติอยู่ฮะแต่ร้านเนี่ยลุกมากแกแกแกแกไม่ลงมาทำอะไรเลย คือที่สองเนี่ยระหว่างที่เรานั่งเล่นเกมมันอยู่เนี่ยปกติดีนะครับเด็กที่นั่งอยู่ตรงข้า ม, มกับห้องน้ำด้านล่างนี่แหละครับอเอาแล้วครับเวลาประมาณกักติดหนึ่งที่สองเนี่ยที่สวยแ็่เดินลงมายลยะครับหนูหนูขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนเจ๊หน่อยสิเจ้กลัวผีแต่คราวเนี่ยทุกคนหันไม่หมดเลยนะครับ เห็นเลยนะว่าพี่สวยเนี่ยแกจะโมโหัวลงมาแล้วผมก็จะเป็นยิกลอนๆนะฮะเราก็เึ้ยทำไมทําไมพี่สวยแกแกแกไม่ดูแลตัวเองเลยวะทําไมแกแกโซมมากแล้วแกพูดเสร็จแกก็ไม่ได้เหมือนแบบคนที่ถามโดยที่ไม่รอคําตอบนะพรพูดเสร็จแลกวแกก็ขึ้นไปเราก็เอ๊ะแกเป็นอะไรของแกวะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าแกแกแกเล่นยาหรืออะไรหรือเปล่าคนกําลังอกหักหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจแกครับจนกระทั่ง ประมาณครับกี่โมงนี่ผมผมผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะครับไอ้เจ้าจับเนี่ยมันขี่มอไซค์เข้ามาอืมด้วยความที่แบบเฮ้ยมึงยังไงก็เคยเป็นแพงทามาก่อนอถ้าจะทะ เ, เลากันหรือ ย, ยังไงเนี่ยอยากลาล้มนิดดีก็ขึ้นไปเคลียร์กันสักหน่อยถูกต้องเนือกันอื์อเออก็ขึ้นไปบอกเออพี่สวยผมโอเคนะผมเหมือนเด้ออะไรก็ว่างกันไปนะครับจบวสวยๆดีกว่า แต่จากความรับปากเขาก็ขึ้นไปออืมไม่ถึงห้านาทีพี่แจ๊กมันรีบเดนลงมาเลยครีบเดินลงมาแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยบิดเบยที่แบบไม่สนใจใครเลยออือแล้วว่าเอา้าสงสัยจะทะเลกันอีกแล้วครับจนวันที่สามนี่คือเข้าวันที่สามแล้วนะฮะผมก็นั่งเล่นเกมตามปกติไม่รู้ร้อรู้หนาวอะไรเลยครับวันนั้นเนี่ย หล่ร้านเกมเนี่ยน่าจะอยู่กันประมาณสักสี่ถึงหกเจ็ดคนประมาณเนี้ยนะครับระหว่างเราที่เล่นกันอยู่เนี่ยมันมีมันมีบรรยากาศแปลกหนึ่งเี่ทําไมพี่สวยแกมไม่ลงมาเลยวะอเอ๊ะทำไมบรรยากาศร้านเกมมั น, ม, นมันควรจะเสียงดังแต่ทําไมวันนั้ น, นแหละดูเงียบๆปกติก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยออกไปเซเว่นซื้อฟูงซื้อของหนะักแล้วก็กลับมากลับมาที่ร้าน ปานังเล่นเกมไปอะไรไปแป๊บเดียวพีจ๊ดมันมีเสียงคนร้องไห้สือกเสือกเนี่ยลอยมาจากข้างบนครับร้องแบบเสียใจอะไรอาวอรแบบกรซิกกระซิบเราก็ก็สกิดเพื่อนเฮ้ยได้ยินหรือเปล่าวะเพื่อนก็หันมาบอกเออสงสัยพี่สวยแกคงจะเฮิร์ตแกคงจะแบบเสียใจมาก แต่คราวนี้นะครับพี่แจ็คเสียงที่เราได้ยินเนี่ยทุกคนฟันธงกันเลยว่าไม่ได้หลอยมาจากข้างบนนะมันดังมาจากลำโพงคอมพิวเตอร์อมันน้องแบบั บ, บเสียงแบบเราก็เฮ้ยเป็นเสียงที่ของลําโพงรึเปล่าผมพยายามที่จะขายขายให้ผลกันแต่ปรากฏว่าน้องแบบไม่เอาดีกว่าเว้บออกมานอกร้านกันหมดเลยแล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านอื พอเช้าวันที่สี่ผมก็ปั่นจักรยานกลับเข้ามาอีกเขาเนี่ยนะฮะรู้เลยว่าพี่สวยแกไม่ลงมาแน่ๆเราก็แบ บ, บไม่สนใจแกเราก็เข้ามาในร้านเกมเราก็เปิดซวิตเปิดรับ เ, เอาเปิดอะไรเล่นเกมคนเดียวฮนะก็เริ่มมีเพื่อนที่จะพยอยกันเข้ามาคนส อ, องคนนี้ต๊เดียววะพี่แจ๊ครัถตำรวจเข้ามาเลย ต, ตำรวจเข้ามามาม า, มาจอดหน้าร้านเลยฮะ ใช่ครับตำรวเข้ามาจอดหน้าร้านเลยตอนนั้ น, นผมคิดว่าเอาแล้วร้านพี่สวยแย่แล้วโดนลิขสิทธิ์เกียมแน่ๆนะครับโดนยกคอมแน่ออืไม่ใช่พี่แจ็คตำรวจเข้ามาถามผมว่าเออขอโทษนะครับน้องอันนี้ร้านพี่สวยหรือเปล่าครับบอกครับพี่บอกเออเนี่ยข้างๆเนี่ยคือข้างๆเนี่ยเป็นร้านปลาบลีทั้งเจ็อข้างๆเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเขาได้กลิ่นเหม็นรวมจากทั้งสองของตัวร้าน เอ้าแล้วข้าพี่ตอนแรกเราก็ยังงงๆนะคือเราราก็กลัวตารวจด้วยที่มันจะมาจับดิกระซินหรือเปล่าครับเขาขออนุญาตตรวจคนหน่อยอบอกได้ครับเจ้าของร้านยุ้งบนเขาก็ขึ้นไปครับัเดียวฮะเหมือนกับเด็กแักเลนเกมมันก็มีความใกล้รู้อ่ะออืผมก็ตามเขาขึ้นไปด้วยครพี่แจ้งผมเห็นพี่สวยนั่งท่าเดิมเลยอ่ะอนั่งท่าที่เราเคยเห็นเขาอะนะ ใช่ครับนั่งหันหลังตีนประตูเราจะเห็นเป็นเงาผ่านจากผ้าม่านคุณพี่ตำรวจก็เคาะสองสามครั้งนะต้องต้องต้องก็ไม่มีเสียงตอบรับแตบเดียวฮะผู้ภัยตามมาเลยครับพี่พี่ตำรวจพยักหน้าบอกทุกกระจกเธอออก็ทุกฮะอาทุบเข้ามาแล้วพี่แจ๊คโอ้มันไม่ใช่กรีนเหม็นนะพี่แจ๊คมันเป็นกลินสาบ อืิมันเป็นกลิ่นซับสารที่ตอนแรกเราไม่ได้กลิ่นเพราะว่ามันมีกระจกมันมีกระจกมันเป็นห้องแอร์แต่ข้างบ้านได้กลิ่นพบกลิ่นไปทั่นบ้านครับผมเพราะว่ามันมีคอมพิสเซอร์แอร์ครับพี่อจ๊กกลิ่นนั้นออกพอทุกเท่งก็ไปปั๊บโอ้โหพี่แจ๊มกลิ่นซับไปทั้งเลยแล้วภาพที่ผมเห็นก็คือพี่สวย่แกผูกคอตายด้วยการเอาเชือก่ะรัด ครับลูกบิดประตูอะครมผมว่าตอนนั้นเนี่ยครับมันมันมันมันอะไรนะลมมากจริมันมีทั้งความเสียใจความตกใจมันมันหลายๆอย่างมากแล้วเราก็เลยเหมือนกับว่าอยากที่จะรู้ว่าเฮ้ยพี่สวยตายพี่ใครตอนไหนวะคือคทุกคนนงงแล้วไอ้ที่เราเล่นเกมมนอยู่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย ค, คือเฮ้ยพี่สวยแคตายอยู่บนหรอวะเท่านั้นเลยฮะ ไม่ถึงสิบนาทีเด็กร้านเกมที่เคยมาเล่นเกมมาตัวกันอยู่หน้าร้านเลยฮะก็เจ้าหน้าที้ตำรวจก็นําศพออกไปนะครับด้วยความที่แบบไข้รู้อีกแล้วอก็ตามนะตามไปที่ไหนตำรวจคืออยากรู้อ่ะแล้วมันมันมันในหลายเรื่องดเรื่องนะก็ไปถามถามเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เหมือนกับว่าสืบจากเด็กร้านเกมด้วยว่ารี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาเขาเขาขึ้น ไปผูคอตายคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเกิดการอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็ให้การเข้าไปครับอืพอผลชันศูตรออกมาว่าตายยังตามไม่น่าจะตามพอ่48ชั่วโมงครับผมชัด <คน S 2> จเจนก็เท่ากับว่าเออตายก่อนหน้านี้สองวันแล้วครับครับแล้วเราก็มาคุยกับในเด็กเดในร้านว่าเฮ้ยพี่สวยตายตั้งแต่วันแรกแล้วที่ที่บอกเดี๋ยวเส๊จ ขึ้นไปทำใจอครับแต่การตายของพี่สวยนะครับจากหลายในคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่สวยก็ตายได้ไงว่าปูคอตายก็แกลูกบิดในท่านั่งอะไอแก้วเหล้าที่ผมเห็นอะมันไม่ใช่ใส่เหล้านะพี่แจ็บมันใส่น้ำยาล้างห้องน้ำโอ้ยกรองน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปด้วย ใช่ครับคือเขาอันนี้คือตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนะครับคือเขาอมไว้ในปากแล้วก็กลืนแล้วก็มัดคอตัวเองซ้ําทีเนี่คือใจเด็ดมากครับผมก็เลยับอืบด้วยความที่ว่าพี่สวยแกเป็นคนที่ไม่มีญาติพี่น้องครับเราไม่รู้เลยแกมาจากไหนรู้รู้รู้เพียงแค่ว่าแกเป็นคนอีสานแล้วนั่นเองค ทุกคนก็รวมเงินกันนะรวมถึงพี่เจ้าของซักอบลีดด้วยเขาก็ตกใจเหมือนกันอ๋อใช่ที่ข้างบ้านตัวเองอ่ะอะเพราะว่าที่เขาตกใจเนี่ยเขามาคุยกับผมภายหลังว่าคือเจ๊ยังได้ยินเสียงที่สวยแกร้องเพลงของพี่ไม่จินรังปุราเลยนะหรอจีดดจืจือจือคือคือแกจะร้องอยู่เนี่ยเพราะว่าแกเคยเป็นคารบัลล่มาก่อนครับครับ คือเขาไม่คิดว่าจะเป็นพี่สวยเสียเขาคิดว่าเป็นแมวหรือเป็นตัวไอ้ตายหรือเปล่านะครับจนทั่งเราก็จัดงานศพให้แก่อไม่ไม่ไม่ไม่กี่วันแล้วก็ประมาณสามวันแล้วก็เผาเลยครับไม่มียาติวเราเองไม่มียาตครับแต่อาจจะมีญาติแต่ว่าในยุคในสมัยนั้นในการติดต่อหรืออะไรมันก็ง่ายดีญานะครับเราก็ไม่รู้จักพื้นบุรานําเดิมของแกว่าแกเป็นใครมาจากไหนนะครับที่จริงเรายังไม่รู้เลยพี่แม หกว่ากว่ากว่าดร้านซักโอปี้จะนำศพมามามาทําพิธีกรรมทางศาสนาได้เนี่ย ก, ก, ก็ก็ใช้เวลาเหมือนกันอนะืปรากฏ<ม>ว่าถึงกานศพสามวันเนี่ยขาจับมันแทบจะไม่มาเลยครับก็เลยมีการเรียกคุยกันบอกเฮ้ยครับทําไมเองไม่มาวะบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กูไปจงกระทั่งเราก็มีการจับค่าคุยกันว่าเฮ้ยไหนไห น, ไหนมือ ไลฟฟังเลยดิ hmm. ทําไมวันนั้นขึ้นไปแล้วรีบลงมาในใจผมว่าก็คง oh, oh, oh. จะรู้แล้วแหละก็วันนั้นวิ่งหนีกูก็กลัจะขึ้นไปเคลียร์กับเข า, าว่าแหละครับวันนี้เขานั่งขันหลังให้กูอะ่ะ hmm. ล้วกูพยายามบิดลูกบิดประตูแกับเจแกก็ไม่เปิดให้กูครับ hmm. จงกระทั้งไอ้เ จ, จา้าจับอย่างเขอเข้าประตูครับนะครับบอกที่สวยเปิดให้ผมหน่อยดิพี่อื oh. เปิดให้ผมหน่อย พี่สวยแกแวววพม่านมาแล้วหันมามองมันอเราบอกว่ากูไปให้มึงเข้าหรอกตายแล้วมึงจะเอาอะไรจะกูอีกครับประมาณนี้ยฮะบค<อ>ือจะบอกประมาณเนี้ย<อ>มันก็ตกใจเพราะเห็นเชือกด้วยเห็น<อ>ทั้งหน้าตัดมันก็รีบลงมาแล้วก็ไม่บอกใครเลยอุย้ยน่ากลัวตรงนี้ว่ะเออไอตอนที่มาก็ไม่บอกใครคือตัวเองน่าจะสติแตกก็คือไปเลยรุดรุดรุดเตยครับแต่คนที่ เจอแล้วรู้สึกว่าเศร้าที่สุดก็น่าจะเป็นแฟนของเจ้าจับเนี่ยฮะครับรู้สึ ก, กวันที่สามแฟนเจ้าจับเนี่ยเข้ามางานศพครั บ, รบพอแฟนในเจ้าจับเนี่ยเห็นรูปหน้างานศพเนี่ยออืพี่พี่อ่าพี่ก็ใคคนนี้ใช่ไหมเขาก็หลุดครับเขาบอกพี่พี่คนเนี้ยไปยืนมองหน้าทางบ้านหนูทุกวันเลยอุ้ยเหรอ อ๋อแฟนเขาดูเจอเหรอเจอครับเจวที่สวยไปยืนมองหน้าบ้านออืไปยืนมองที่บ้านแต่ที่เมืองพัทยาครับมันก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครับเขายังคิดไม่ใจไอ้ทำไมขอโทษนะครับของแฟนนะทําไมเจ๊ก็เคยคนนี้มามองหน้ากู่ตลอดเลยวะครับมองเฉยนะแต่ไม่ได้มองแบบความความเกลียดไม่ได้มองด้วยความโกรธมองด้วยความอะไรเอาวอนมองทําไมเก็พอมางานศพก็ถึงเรียนรู้ว่าคนเนี้อะไรพี่สวยครับ โอ้เออเหมือนเขาพยายามจะไปตามแฟนเ้าซึ่งรู้ว่าแฟนเ้าก็ไปมีแฟนใหม่ใช่อช่แต่แต่ไปตามเฉยนะไปดูแต่ว่าไม่ได้แบบไปโกรธไปเกลียดไปอาฆาตอะไรเหมือนก็ว่าใครกันนะที่ได้ได้หัวใจแฟนเราไปอะไรประมาณนี้นะโอ้แต่มารู้ทีหลังแบบนี้ก็ก็ช็อคไปเหมือนกันนะช็อตนะเว้ยเฮ้ยใช่ แ ล, แล้วเรื่องเนี้ยนะครับผมก็พยายา ม, มที่จะรู้สึก้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆอ่ะใจจริงๆเยอยากอยากอยา ก, อยากจะผมก็พูดไม่ถูกนะที่แบกอารมณ์เหมือนกับแบบให้เรารู้สึกเราผิดหรือเปล่า<ร>ที่ไม่ได้สนใจคนคนหนึ่งจนแบบเขาเขาเขา ล้าเว้ฮะความเหงาและความโดดเดี่ยวมันฆ่าคนได้จริงนะแี่แจ๊คคือจะบอกอย่างนี้ผมก็ยังยยยััังงงพูดเหมือนกับเรื่องของเมื่อกี้เรื่องของคุณกบนะครับนะครับว่าเเ้ยออไม่ใช่นะื่องของขออภัยเอเรื่องของคุณคุณเอ็นะครับบอกว่าเอย่าอย่าอย่าคิดโทษตัวเองคือตอนนั้นด้วยด้วยความเป็นเด็กด้วยหมีนะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น เราไม่เข้าใจหรอครับเรื่องของอย่างเงี้ยเรื่องของเฮ้ยคนเขาจะมีความทุกข์มากน้อยอะไรขนาดไหนเราไม่คิดด้วยว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปโทษตัวเองเราอย่าไปโทษ ต, ตัวเองถ้าเราโมจะโทษตัวเองเราก็จะไม่มีความสุขอะไรเลยหมีมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมมันเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบของพี่เขา ถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเราไม่ผิดเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่สนใจคิดว่าเราไม่ได้รู้เนี่ยว่าเฮ้ยเขาจะไปฆ่าตัวตายก็ช่างพี่ดิเดี๋ยผมจะเล่นเกมมันไม่ใช่อย่างนั้นไงถูกไหมใช่เราเราเราเราเราเราไม่รู้และอย่างคือด้วยด้วยด้วยความที่สถานภาพตอนนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมรับเราเราเราก็ยังวัยรุ่นเราก็ยังสนใจรอบข้างตลอดเลยถูกต้อง เดี๋ยวผมถามหน่อยหมีตอนที่ทุกคนมาเล่นเกมกันสามสี่วันนั้นอ่ะคือหมายถึงว่าร้านเกมมันก็เปิดโอเพนอยู่งั้นเลยหรอแล้วจ่ายตังอะไรกันยังไงอ่ะก็ท้ความที่แบบในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบบเป็นเครื่องจำกัดเวลาที่แบบเติมไปชั่วโมงนึงพอโกกุกคืนนาทีมันก็จะดับครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยการจดมันจะใช้การจดอย่างเดียว ออืด้วยความที่ว่าเราสนิทกับพี่สวยด้วยนะครับบางทีเรากินนะมันลมเรากินข้าวแกงแกแกทํากับข้าวให้กินมันมันไม่ได้เหมือนลูกค้าไม่ค้าครับมันมันเหมือนญาติสนิทมันเหมือนพี่สาวฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมเนี่ยนะครับแจ็คบอฟเฟบุฟเฟ่เลยฮะคือยังยังยังจำเหตุยังยังยังจําความรู้สึกตอนที่ยังอยู่ร้านเกมได้นะครับเราเมืองพัทยาด้วยนครับมันก็แบบยิบสี่ชั่วโมงอือมอืม อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คืออาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ความซื่อสัตย์ของของเราเองด้วยว่าเฮ้ยเราเล่นไว้เท่านี้เราก็จดไว้เรากินอะไรเราก็จดเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันเพราะว่าคิดว่าช่วงนั้น<ท>พี่แกคงจะแบบไม่อยากเจอหน้าใครไม่อยากจะลงมาข้างล่างอยากจะเก็บตัวเองอยู่ข้างบนครับผมก็คิดไว้คิดว่าอย่างนั้นนะครับครับครับคุณโอ้จริงๆริงอย่างพี่แ<ม>จ็คคือ ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้อะผมผมผมมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับแต่แต่เท่าที่รู้เนี่ยผมต้องขออภัยนะถ้าถ้าจะพูดออกไปผมมีความรู้สึกว่าเพศที่สามเนี่ยบนโลกใบเนี่ยเป็นเพศที่แบบเวลารักใครเนี่ยรักมากเลยนะใช่เขาเขาทุ่มได้แม้ถึงกระทั่งทุกอย่างที่เขามีจร่งๆนะครับออืมฉะนั้นเนี่ยผมผมผมนีากจะบอกว่าเออถ้าใคร ไม่ได้คิดจริงจังกับเพศที่สามนะครับอย่าไปรอกเขาเลยฮะถูกต้องอย่าไปหลอกเขาด้วยด้วยด้วยประการทั้งปวงครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะใช้เป็นแค่ตัวขั้นเวลาเป็นบันไดให้ก้าวข้ามผ่านไปหรือจะเอาสมบัติเงินทองอะไรพวกนี้ยอย่าทำมาอย่าไปรอกเขาเลยครับเขาก็มีหัวใจว่าใช่ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเวลารักเขารักใครนั่นก็รักจริงๆครับครับครับผมก็ อยากจะฝากไวแแ้แค่ตรงนี้ครับเรื่องของอความรักครับรักได้ฮะแต่ยาตาบอดถูกต้องครับผเนี่ยผมไม่เคยฟังเห็นไหมแต่พอหมีมาเล่าในรูปแบบของหมีมาเล่าในแบบอีกมุมมองหนึ่งมุมมองที่เราเหมือนคนดูหนังคุณผู้ฟังเรารู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเราเป็นคนดูไงเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยคือผีแต่เราจะดูว่าเฮ้ยผีจะออกมาในรูปแบบไหน แต่วันนั้นที่หมีเคยเล่าที่เดอะช็อกที่บ้านเก่ามีเน่าในรูปแบบของเราเราคนฟังคือเราคือตัวหมีเราคือไม่รู้อะไรเลยแล้วค่อยๆลุ้นไปกับเหตุการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมาขมวดทีหลังว่าเฮ้ยสิ่งที่เจออะมันไม่ใช่ละเพราะพี่แกเสียไปแล้วแต่ครั้งนี้เรามาอีกมุมมองหนึ่งที่พี่แบบเรามองว่าเฮ้ยอันเนี้ยหลังจากที่แกเสียไปแล้วเนี่ยแกมาแบบนี้แบบเนี้แบบเนี้ยเฮ้ยแบบฟังแล้วมันก็น่ากลัวน่ากลัว คืเเ อ, อๆๆเรายังเรายังหาเหตุผลกันอยู่เลยนะครับว่าคนที่ตายในจิตสุดท้ายเนี่ยเช่นเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอเช่นเรากําลังจะปูโคอตายเนี่ยครับแล้วเรากําลังจะรู้ว่าตัวเองกําลังจะตายเนี่ยความรู้สึกนัดเวลานั้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ผมมีความเชื่อลึกๆนะไม่รู้นะผมเชื่อว่าคนที่เขาคิดสั้นไปแล้วแล้วก็กําลัง จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วตัวเองกําลังจะขาดใจอ่ะผมว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยเขาเขาทรมานและเขาอยากจะกลับใจแต่มันกลับไม่ได้แล้วไงใช่ครับเออผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนเหมือนคิดง่ายๆว่าสมมุติคนกําลังจะโทษนะฮะอันนี้ไม่ได้แบบอ่าผมแค่คิดเองคนกําลังจะฆ่าตัวตายกําลังจะโดดตึกลงมา คนเรามันโดดลงมาแล้วอะแล้วแบบเฮ้ยยังไม่อยากตายแต่มันไม่ได้แล้วไงถูกปะมันมันมันมันกลับตัวเองไม่ได้ละเหมือนกันครับคนที่คิดจะขู่คอตายคือเชือกมันถูกดึงไปแล้วเนี่ยแล้วลมหายใจมันกําลังจะขาดแล้วเขาอยากจะกลับเฮ้ยไม่เอาละไม่ไหวล้วหน้าพ่อแม่ลอยมาอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันกลับไม่ทันละเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของสติเรื่องของ ตัดสินใจเรื่องของอารมณ์มีสติในการตัดสินใจในการทําอะไรให้ดีที่สุดอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพราะถ้าเราตัดสินใจอะไรไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถเชียบ ก, กลับมาได้ใช่ครับพี่แจจะทําอะไรก็ได้นึกถึงคนข้างหลัง ค, คนข้างหลังเราสมมติว่าเอ้ยเราไม่มีญาติแต่ลืมว่าเรามีคนรู้จักถูกไหม เรามีคนที่ดีกับเราเรามีคนที่รักเราเรามีคนที่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นอย่าได้ทําแบบนั้นเด็ดขาดถูกต้องที่สุดครับเออนะเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ผมบอกคือมันกลับไม่ได้จริงๆครับครับออผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นเพื่อนผู้หญิงครับชื่อว่าขอแพรนะชื่อจ๋าจ๋าเนี่ยเขาเป็นอสาวโสดครับ ไม่เคยรักใครเลยนะครับเวลามีแฟนมีอะไรจริงจก็เหมือนกับเล่นๆแต่ดันไปเจอคนที่เขาสามารถที่จะมัดใจจ๋าจริงครับวันนึงก็เลิกกันฮะแล้วก็พยายามที่จะประชดแฟนด้วยการผูกคอตายนี่ไงมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนๆเนี่ยช่วยได้ทันนะครับผมเชื่อเรื่องนี้นะพี่แจ๊คถ้าคนเราเอาคอเข้าไปในบ่วงแล้วเนี่ยต้องระวังให้ดีเนครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับจ๋าเนี่ย โทรมาบอกกับผมว่าอืมหนีเราเชื่อแล้วว่าผีไม่มีจริงครับก็เลยถามตุการณว่าเอ้ทำไมถึงคิดแบบนี้มีอะไรจะปลูกคอตายกันเนี่ยเราก็ถามด้วยความเป็นห่วงบอกไม่ใช่ในเช้าวันนั้นเนี่ยนะครับเขาคิดเรื่องการปลูกคอตายทั้งวันเลยจนศบโอกาสเนี่ยโอเคแต่ววันเนี้ยกูจะไปตายที่บ้านกูบ้านเขาเป็นสวนนะครับหลังบ้านมีคลองครับเป็นครั้งเดียวเลยที่จะเห็นพ่อแม่ตัวเอง นะครับก็ไปที่บ้านแล้วพ่อแม่ก็เหมือนกับแบบรู้รู้แกวทันว่าเอ้ลูกสาวเขาเป็นอะไรจะดูแบบหน่อยๆ น, นะวันนี้ครับนะครับก็พยายามเอาอกใจด้วยการทําของชอบให้กินอืจ่าไม่กินจาาขึ้นไปบนห้องตัวเองแล้วก็เปิดหน้าต่างหมดทุกบานคิดในใจว่าเนี่ยถ้ากูตายอะ่ะคนรุ่งเช้าเนี่ยตี 4, 5, สี่ตีห้าเนี่ยคนมาทาสวนทำอะไรเนี่ยจะเห็นศพกูแล้วเอาเรื่องเนี่ยไปบอกแฟนเ ก, ก่ากูจะประชดเขาออื พอเอาวงเออพอขอแพรพอเอาหัวเนี่ยเข้าไปในห่วงเนี่ยจ๋าเห็นเลยฮะผ่านประตูหน้าต่างตัวเองที่เปิดทิ้งไว้เนี่ยคร อ, องด้านหลังเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งฮะค่อยๆเดินขึ้นมาจากน้ําออแล้วก็มากวักมือเรียกอทํา น, นั้นไม่พอนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงใส่ผ้าถุงสีดำค อ, อกระเช้าฮะลูดต้นมะม่วงลงมาออือแล้วก็มากวักมือเรียก แล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งนะครับูมิปองเลยเป็นเด็กผู้ชายคือคันเด็กมาเลยมุดมาจากไหนไม่รู้นะแล้วก็มาหวักมือเรียบจ๋าไม่เอาแล้วฮะในการัลุกเอารีบวิ่งลงไปข้างล่างบอกพ่อแม่บอกหนูเจอผีนะครับพ่อแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรจ๋าเอะไรเนี่ยบอกหนูเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างี้เขาบอกให้จ๋าฟังว่า ถูกแล้วแหละที่เห็นนี่ยผู้ชายคนแรกที่ขึ้นมาจากน้ําเนี่ยครับเขาจมน้ําตายตรงนั้นแหละออืหลายปีแล้วสิกว่าปีแล้วเขายังอยู่เขายังอยู่ครับออืส่วนผู้หญิงที่รูดลงมาจากต้นนมะม่วงเนี่ยเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยข้างบ้านนี่ไงจำไม่ได้เนี่ยเขาผูกคอตายที่ต้ําม่วงออืส่วนเด็กเนี่ยก็คือหลานผู้หญิงออกไปตกกลางคืนครับปรากฏอีท่าไหนไม่รู้啊 จมน้ำปลายเฉยเลยปรากฏว่าคืนนั้นจ๋าเห็นหมุดเลยนี่ครับผมอยากจะบอกว่าอยา อ, อยาอยาไปเล่นอะไรพวกนีค้ครับครับครับก็เป็นเรื่องชักช้าอย่าไปตัดสินชีวิตตัวเองด้วยด้วยด้วยแค่ด้วยการประชดผจริงจะบอกว่าไม่ได้พูดให้ดูหล่อนะคุณ ผ, ผู้ฟังคือความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาสิ่งสวยงามอันเนี้ยมาแปลงเป็นความ อาฆาตการประชดความน้อยใจการคิดสั้นจุดจบมันไม่สวย อ, อย่าอย่าคิดสั้นอย่าฆ่าตัวตายเพราะแค่เรื่องความรักความรั ก, กที่จริงคือความรักของคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องที่สุดเรากับแฟนะ่ะมันก็เป็นเอาพูดกันตรงๆห ย, ยาบๆเลยก็คือเป็นแค่คนคนหนึ่งที่มารู้จักกันที่มาเกิด พออกพอใจซึ่งกันและกันวันหนึ่งก็ชอบกันรักกันแต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องมีอะไรก็แล้วแต่ให้ให้เลิกกันหรือให้มันมีประเด็นอะไรที่มันใหญ่โตอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวของตัวเองโดยการฆ่าตัวตายใช่ครับเพชิตที่อยู่ด้าหลังถกต้องทรมานนะฮะถูกต้องอย่างมากเราก็ได้แค่สะใจประชดให้มันรู้ว่าเนี่ยเราฆ่าตัวตายนะแล้วยังไงอะฮะแล้วยังไง ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้แบบหันมามองหรอกฮะเขาก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไปฮะถูกต้องเขาไม่ได้มาเราก็ต้องเขาไม่ได้มาแบบอุย้ยดูสิฆ่าตัวตายเดี๋ยวฉันต้องมาฆ่าตัวตายด้วยไม่มีหรอกครับใช่ครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักให้เป็นดําเนินชีวิตให้ถูกไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องแค่ความรักอย่างเดียวนะครับการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นการ อะไรก็แล้วแต่ครับอย่าตัดสิงตัวเองอย่าตัดชีวิตตัวเองโดยการฆ่าตัวตายทุกชนิดครับผมนะเออโอ้โหนี่ต้องบอกว่าจบหล่อจริงๆเราสองคนหมีครับผมนะฮะสนุกน่ากลัวเหมือนเดิมเมื่อกี้เห็นพูดถึงหนังสั้นจะจะจะแงมแงมบอกได้ยังหรือหรือจะอุบไว้ก่อนคือจริงๆผมไม่อยากอุบกำลังไปแฉครับ แต่ว่าด้วยความที่ว่าทีมที่ทำร่วมกันเนี่ยมันต้องต้องเข้าใจนาการกำลันกำวนที่เยอะปัญหามันก็เยอะตามว่าจะเคลียร์ลงตัวหรือจะคุยจะรู้เรื่องเนี่ยมันมันมันก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องแหล่งสั้นเนี่ยผมยังห้าสิบห้าสิบมีหวังนะเพราะว่าตอนเนี้ยอยากอยากที่จะปล่อยของออกตัวเองมาก่อนนะครับครับผมได้อังนั้นถ้าหมีอยากจะ บอกกล่าวอยากให้เดอะโกสเซดีโอช่วยโปรโมทอะไรยังไงบอกได้ตลอดนะขอบคุณมากเลยครับยินดียินดีเราพี่น้องกันหมีนะขอบคุณมากๆที่มาสร้างสีสันมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันในข้ามคืนวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะหมีละครับผมขอบคุณพี่ไก่เช่นกันนะครก็ปกใจเหมือนกันนะตีสามเลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณมื่นห้ากว่า ครับ uh huh. ก็ขอให้มีผู้ติดตามมาเยอะๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูแลวผมเข้ามาดูในร้านเนี่ย ค, คนเยอะขึ้นทุกวันเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ดึกมากแล้วก็ยังตามมันอยู่1มื0 0เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยแหละที่ให้ความอนุเคราะห์ที่ให้ความเอ็นดูนะครับกับ The g h ก s t r a d i โอของเรามาโดยตลอด นะหมีถ้ามีเรื่องอะไรอีกกิ๊งกลางมานะได้ครับพี่แจได้ครับหมีขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณครับหมีครับสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม subscribe ์ h ANNEL THE g o a t RADIO OFFICIAL กันด้วยนะครับ